เรื่องคนมีสงเป็นอุปชาสมัยนั้นพวกภิกษุให้กุลบุตรมีสงเป็นอุปชาอุปสมบทภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรมีสงเป็นอุปชาไม่พึงให้อุปสมบท ร, รูปใดให้อุปสมบท ต, ต้องอาบัติทุกกฎวงเล็บสิา